บทแห่งกรรมทรงพระนามว่าสมัย เสวยให้ได้รับความสุขสืบมาการไม่ช้าปกครองไพร่ฟ้าประชาชน จากสิ้นประชชนเพราะการด้วยพระราชประสงค์ว่าน้ำๆ จากวันหนึ่งขาดแครนน้ําวัน มิได้แสดงความเฮ้ยสมณะหัวโลนนี้จะ เมื่อทรงเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอ๋อ เมื่อเซอร์ทร้าไม่รู้จากเราซึ่งเป็นพระราชโอรสก็อยากกินอาหารมือนี่เลยตรัชนั้นแล้วพระราชกุมานผู้เมายศสักไม่ส่งสร้างว่าตนจากประสบความวิบัติอย่างใหญ่หลวง พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อ๋อกรณัสสมณรนเราทําแค่นี้ก็กลัวได้ กล่าวคําเย้อเย้ยดังนี้แล้วก็ ราชบุตรทั้งหลายกลับมากราบทูลว่า ชุติกระฉากลง 84,000 ปีเมื่อพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วพ้นจากอเวจีมหานรก ครั้นถึงสมัยที่องค์สมเด็จพระ ตนเคยสร้างกุศลกรรมความดีไว้จึง แล้วมาเกิดเป็นเปรตอดข้าวอด ถ้าได้ปลามาแล้วเห็นปลานั้นดิ้นอยู่ก็ คนทั้งเมื่อเห็นว่าเหล่านั้นจึงเอาความ เดินทางอดมื้อกินมื้อไปตาม จึงมีความกรุณาเมื่อเป็นเช่นนั้นอาหาร ครั้นกุมารรับคำพระอานนท์เถระเจ้า พระอานนท์เถระผู้เป็นอนุชาก็กราบทูลเรื่อง ไปดังนี้จะเป็นประการใดพระเจ้าค่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติแล้วถวายพระภิกษุ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อเห็นสามเณร สามเณรนั้นก็ได้อุปสมบทเป็น ได้สําเร็จเป็น เป็นคน 3 คน มีตนอยากข้าวอยากน้ำหุ้มหาความสุขมิได้ทุกวรรณ ราว 1 อดีตกุมารพณิชฌานไม่พระ 12 รูป เข้าใจว่าเป็นบุตรของตนจึงหันหน้า<เอ> มีหน้าตาผ่องใสคล่องจีวร ขอจงได้กรุณารีบช่วยเหลือโดย ก็พยายามไปแสดงกายเพื่อให้ ถึงตามพารุณสมัยอาทิตย์ไขแสง จำได้หรือไม่เล่าตัวข้านี้ ได้รับความทุกขเวทนาอดอยากเหลือกําลังอยากจะขอความช่วยเหลือขอส่วนกูศลจากท่านหากท่านในปราาณีในครั้งนี้แล้วข่าพระเจ้าและบิดามารดาก็เห็นจะไม่แคล้วเป็นเปลดอยู่อย่างนี้ตลอดไปขอท่านจงพิจารณาหาทางช่วยเหลือค่าผู้เป็นพี่ แต่อนิจจาพระมหาเถระแม้สักนิดก็หาไม่ท่านจะได้มีได้พิจารณาเหตุอะไรอื่น นำหน้าภาเพื่อนส่งเดินเรื่uckleไป ราวกับว่าไม่มีเหตุอะไรอื่นเช่นเดียวกับเมือคืนนี้เองเปรตหนุ่มผู้มีกรรมเมื่อเห็นว่าพระน้องชายไม่เห็นและไม่รู้เรื่องที่ตนบอกเดินเฉยเลยไปดังนั้นพรันใบหน้าที่เศ้าอยู่โดยปกติธรมดาก็ยิงเศ้าดำลงไปอีกด้วยความผิดหวัง เดินแล้วแจ้งความให้ทราบโซเซเข้าไป เปรตหนุ่มจึงได้อุตส่าห์ไปดักเฝ้าหน้า ตามวิสัยแห่งพระอรหันต์ ท่านจึงบอกแก่เปรตพี่เอาเถิด ครันได้อาหารพอเป็นยาปรมาตแล้วมา เพราะว่าบิดามารดาอง 12 องค์เพื่ออุทิศส่วน จักจะเป็นไรไปเล่าอาวุโสดีส่วนเราทั้งปวงนี้ยินดียกอนุญาตให้ท่านแก่กระผม พระภิกษุผู้เป็นสหายกันเหล่านั้น <Lil ian> เสร็จ 12 รูปมารดา ซึ่งไป 3 ตน พลันเห็นองค์อรหันต์เจ้าจัดการ และแล้วแล้ว 3 ตน ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนขณะนี้มีแต่ความอิ่มกายอิ่มใจเข้ามาแทนที่ว่ามันหายไปไหนขณะ จึงแสดงกายให้ปรากฏแก่พระ ด้วยว่าบัดนี้ตัวพี่ จะขอลาไปเสวย จากสรุปได้ว่าที่ได้กล่าวคือเมื่อเขากลับมาเกิดในโลกมนุษย์เราอีกใจ แต่จะถูกทุกขติ